วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความศรัทธาความเชื่อมีภาษาธาความเลื่อมใสในพระบรมศมาสดา พระอาหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งคำสอนที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการมาวัด เพื่อมาศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจของโลกไม่มีอะไรที่จะมีความมหัศจรรย์ยิ่งกว่าพระพุทธศาสนาเพราะสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถทํา ในสิ่งที่พระพุทธศาสนาทําได้นั่นเองก็คือสามารถพาให้สัตว์โลกอย่างพวกเราให้หลุดออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีในในโลกนี้ที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกแห่งการไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ที่เมื่อเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมก็ต้องสิ้นต้องหมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือกองทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแต่พอมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลก ผู้ที่มีโชควาสนาได้มาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาก็จะได้รู้จักทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พอได้รู้จักแล้วก็จะได้ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติตามผลก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็จะเป็นผลตามมาตามลำดับต่อไปนี่คือความมาสั จ, จรันของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีสิ่งมาสั จ, จรันต่างๆในโลกนี้สามารถจะทำได้นี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธควรที่จะมาทำความรู้จัก ว่าเราเป็นผู้ที่มีโชคมหาศารได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างแท้จริงแล้วเมื่อเราได้พบแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องพยายามตักตวงผลประโยชน์จากสิ่งมหัศจรรย์อันนี้ให้ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของพวกเราทุกคนที่จะสามารถทาได้กัน แต่ว่าเราต้องรู้ว่าการที่เราจะเข้าถึงสิ่งอันสิ่งที่มาสั จ, จรั์ของพระพุทธศาสนานี้เราจะเข้าได้อย่างไรถ้าเราไม่มาวัดไม่มาศึกษาไม่มาฟังเทศฟังธรรมถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธเราก็จะไม่รู้วิธี ที่จะลักตวงผลประโยชน์อันมหัศจรรย์นี้จากพระพุทธศาสนาได้เราต้องมาศึกษาทำความรู้จักเรื่องราวของพระพุทธศาสนาแล้วเรียนรู้วิธีการต่างๆที่พระพุทธศาสนาจะสอนให้พวกเราปฏิบัติกัน เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเรานำเอาไปปฏิบัติผลถึงจะปรากฏขึ้นมาตามลำดับต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะมาทำความรู้จักในอันอันดับที่หนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่าส่วนประกอบองค์ประกอบของพระพุทธศา ส, าสนานี้มีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางกันหลงไป เพึ่งในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์เราต้องพึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้องค์ประกอบสาคัญที่จะทำให้เราได้พบกับความมหศัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา ก็คือพระรัตนใยนี้เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ถาวรววัตถุต่างๆไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่พระธาตุไม่ใช่พระเจดีไม่ใช่สิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นวัตถุนี้เป็นเพียงส่วนประกอบของพระพุทธศาสนาซึ่งมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความมาสัจจันต์แก่ผู้ที่เข้าถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดความมาสัจจรต์ต่อผู้เข้าถึงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจตั้งแต่บัด น, นี้ไปว่าการที่เราสร้างถาวรวัตุต่างๆ สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆขึ้นมานี้ไม่ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีผลแตกต่างกันมากนะักสิ่งที่จะทำให้มีผลแตกต่างกันมากก็คือการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ การเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ต่างหากที่จะเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมานั่นเองดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นมาได้อย่างไรและเราควรที่จะปฏิบัติกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไร เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์อันมาอันมหัศจรร์นี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ได้ค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราคือมีกิเลสตาาัณหามีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับพวกเรา ที่มีกันอยู่ในขณะน im it im it. To to ี้มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเหมือนกันเราทุกข์เราทุกข์กับเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าก็เคยทุกข์มาแล้วเราทุกข์กับเงินทองพระพุทธเจ้าก็เคยทุกข์มาแล้วเราทุกข์กับตำแหน่งพระพุทธเจ้าก็เคยทุกข์มาแล้วเราทุกข์กับสรรเสริญเราพระพุทธเจ้าก็เคยทุกข์มาแล้วเราทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พระพุทธเจ้าก็เคยทุกข์มาแล้วเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพระพุทธเจ้าก็สบก็เคยทุกข์มาแล้วความทุกข์ของพระพุทธเจ้าก่อนที่เสะองค์จะได้ตัดสร้นี้ <c oughs> เหมือนกับของพวกเราทุกประการ <c oughs> แต่อาจจะต่างกันตรงที่ว่าหลังจากที่พระองค์ได้เจอความทุกข์แล้วพระองค์จดจาเอาไว้ พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะต้องพบต้องเจอจึงอยากจะหาวิธีที่จะกําจัดให้มันหมดไปจากใจให้ได้อาจจะต่างจากพวกเราหรือวิธีกําจัดความทุกข์ของพวกเราอาจจะต่างจากพระพุทธเจ้า วิธีกำจัดความทุกข์ของพวกเราก็มักจะเป็นวิธีเพิ่มความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเวลาเราทุกข์เราไม่มีอะไรเราก็อยากได้พอเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาเราก็หายทุกข์แต่เดี๋ยวไม่นานสิ่งที่เราได้มามันก็จะทำให้เราทุกข์ต่อไปได้เพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนไป มีการดับไปมีการพัดพราจากกันไปนพะมีการเปลี่ยนแปลงมีการดับมีการพัดพราจากกันความสุขที่เคยได้จากสิ่งต่างๆก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดความทุกข์เพระพุทธเจ้าก็เคยใช้วิธีนี้กำจัดความทุกข์มาก่อน ทรงมีประสาทสามฤดูทรงมีทรัพสมบัติเข้าของที่จะซื้อความสุขชนิดต่างๆให้กับพระองค์ได้ตลอดเวลาแต่ความทุกข์ในใจของพระองค์ก็ไม่ได้สูญไม่ได้หายไปจากการที่หาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้กับพระองค์ สิ่งความสุขต่างๆก็ให้เดี๋ยวเดียวเหมือนควันไฟพอจางหายไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าก็เลยมีความปรารถนามีความต้องการที่จะหาวิธี ที่จะทำให้พระองค์นี้ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆอย่างที่พระองค์กำลังทุกข์อยู่พระองค์ก็เลยทรงตัดสินพระไทยสเสด็จออกจากพระราชวางังสละราชสมบัติเพื่อไปอยู่แบบนักบวชเพราะทรงทราบว่าพวกนักบวชนี้เป็นพวกที่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆได้ก็เลยอยากจะ ไปศึกษาวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆแบบของนักบวชก็เลยสะละราชสมบัติหนีออกจากพระราชวังไปในคืนวันหนึ่งคืนที่ได้ทรงทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดเจ้าชายพระลาหุนพระโอรสของพระองค์พระองค์ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าทรงอยู่ในวังต่อไป ก็จะไม่มีโอกาสที่จะหนีออกจากวังไปได้เพราะความรักความห่วงลูกนั่นเองพระองค์จจงอุทานว่าราหุลราหุลแปลว่าบ่วงลูกชายของพระเจ้าก็เลยได้ชื่อนั้นมาต่อไปชื่อราหุลพระราหุลแปลว่าบ่วง ก็เลยต้องหนีจากพระราชวังไปในคืนนั้นเพื่อที่จะไปศึกษาวิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็ได้ไปศึกษากับสำนักต่างๆกับครูบาอาจารย์ต่างๆก็สามารถดับความทุกข์ที่ท่านทั้งทั้งหลายรู้ได้แต่ก็ยังเป็นการดับความทุกข์ชั่วครั้งช่วคราวอยู่ ถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นการดับความทุกข์แบบร้อยเปอร์เซนแต่เป็นความดับความทุกข์ชั่วคราวคือการเข้าไปในสมาธิถ้าสามารถดึงใจให้เข้าไปข้างในเข้าไปสู่ความสงบได้ความทุกข์ต่างๆนี้จะหายไปหมดเพราะว่าความทุกข์ก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจนี้เองพอใจไม่ได้คิด ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปแต่ใจไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกมาเพราะมีสิ่งที่จะต้องทํากับร่างกายต้องดูแลร่างกายต้องกินต้องดื่มต้องอาบน้ําต้องขับถ่าย ต้องดูแลสถานที่อยู่ของร่างกายก็ต้องออกมาจากสมาธิเพื่อมาทำภารกิจเหล่านี้เวลาที่ออกมาใจก็เริ่มคิดปรุงแต่งเหมือนเดิมกาไปคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายความไม่สบายใจก็ปรากฏขึ้นมาทันทีว่า <Yeah. S 1> องค์ทรงไปถามครูบาอาจารย์แต่ละรูปก็ไม่มีครูบาอาจารย์รูปใด ที่สามารถที่จะสอนให้พระองค์ไม่ต้องทุกข์กับความคิดต่างๆได้จะไม่ทุกข์กับความคิดก็ต้องหยุดความคิดด้วยการเข้าไปในสมาธิเมื่อไม่มีใครสามารถสอนพระองค์ให้ความกำจัดความทุกข์ได้แบบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือนอกสมาธิ พระองค์ก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าดูเอาเองจนในที่สุดก็ส่งค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ที่เวลาเกิดขึ้นเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิต้นเหตุของความทุกข์ใจเช่นความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี้เกิดจากความอยากของใจเองความอยากของใจที่จะอยู่ไปนา น, น, าน ที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี้เองที่ทำให้ใจทุกทุกครั้งที่เห็นคนแก่เลือกคิดถึงคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเลือกคิดถึงคนเจ็บคิดถึงคนตายใจก็จะทุกข์ใจก็จะไม่สบายขึ้นมาแต่ถ้ารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็หยุดความคิดนี้เสียหยุดความอยากนี้เท่านั้นเองด้วยการยอมรับความจริงความจริงของร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายเมื่อเกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของคนขอทานหรือของพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นร่างกายเหมือนกัน เ, เมื่อเกิดแล้วก็จะมีการเจริญเติบโต เมื่อจเจริญเติบโตเต็มขั้นแล้วก็จะแก่ลงไปตามลำดับแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงวาระสุดท้ายคือความตายเมื่อตายแล้วร่างกายก็จะหายไปถูกเอาไปกำจัดเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าขี้ฐานไป ถ้ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าร่างกายที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายก็จะแยกออกจากกันส่วนที่ประกอบร่างกายขึ้นมาก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่รวมกันอยู่ในร่างกายก็จะแยกทางกันไปพอตายปุ๊บลมก็ออกไปก่อนตามด้วยไฟแล้วตามด้วยน้ำ หลังจากนั้นร่างกายก็จะผุพังกายเป็นดินไปส่วนที่เหลือก็กลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายของคนทุกๆคนที่ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้จะอยากหรือไม่อยากก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายได้ถ้าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นความจริงด้วยปัญญาว่าร่างกายต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยอมรับความจริงนั้นไปหยุดความอยากเสียเพราะอยากไปก็ทำให้ทุกข์ไ ป, ปเปล่าๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ไม่สามารถไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้ จะหยุดความทุกข์ได้ถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของใจเองพระพุทธเจ้าไม่ต้องการความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่สนใจเรื่องของร่างกายร่างกายจะอยู่ไม่อยู่นี้พระองค์ไม่สนใจสนใจว่าทำอย่างไรให้ใจของพระองค์ไม่ทุกข์เท่านั้นเองในเมื่อทรงค้นพบว่า เหตุที่ทำให้ใจของพระองค์ทุกข์ก็คือความอยากต่างๆนอกจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ยังมีความอยากอื่นๆยังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากมีอยากเป็นนี่คือความอยากสามชนิด ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกครั้งที่ปรากฏขึ้นมาในเมื่อพระองค์ได้ท่งค้นพบแล้วแล้วก็ท่งรู้วิธีหยุดความอยากเหล่านี้วิธีหยุดความอยากเหล่านี้ก็คือให้รู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าให้มีความอยากนี้ปรากฏขึ้นมาถ้าปรากฏขึ้นมา ก็ต้องสอนใจให้หยุดมันให้ได้วิธีที่สอนใจให้หยุดให้ได้ก็คือสอนใจให้เห็นถึงสิ่งที่ใจไปอยากว่าเป็นสิ่งที่ใจไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความอยากของใจได้นั่นเองเช่นร่างกายไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวิธีที่จะทําทให้ใจไม่ทุกข์ก็คือต้องทําใจเฉยๆเพราะเวลาทําใจเฉยๆความอยากก็จะหยุดทํางานการทําใจเฉยๆพระองค์ก็เคยหัดทํามาแล้วด้วยการฝึกสมาธินี้เองการเข้าสมาธิก็คือการทําใจให้เฉยทําใจให้หยุดความ คิดต่างๆหยุดความอยากต่างๆพอทรงรู้ว่าความทุกข์ของพระองค์เกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆที่เป็นไปไม่ได้พรอะองค์ก็เลยทรงไม่อยากอีกต่อไปพอไม่อยากความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในพระไทยของพระองค์ก็หายไปหมดพระองค์ก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ เมือ่อทรงหลุดพ้นแล้วก็ทรงมีความปรารถนาที่จะนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปเพราะเป็นความรู้ที่มหัศจรรย์ที่จะทำาให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในทุกรูปแบบหลุดพ้นจากความทุกข์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ขณะที่มีชีวิตอยู่จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นสิ่งไหนก็ตามใจจะไม่ไปอยากกับเขาอีกต่อไปใครจะดีใครจะชั่วใครจะชมใครจะด่าก็ปล่อยเขาชมไปด่าไปปล่อยเขาดีไปชั่วไปเพราะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้นั่นเองไม่สามารถไปห้ามเขาได้ ถ้าเขาอยากจะด่าเราเราไม่สามารถที่จะไปหยุดเขาได้แต่เราสามารถหยุดใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราปล่อยเขาด่าไปเท่านั้นเองใจก็ไม่ทุกข์กับเสียงด่าอีกต่อไปนี่นี่คือประโยชน์ที่ได้รับในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และประโยชน์ที่จะได้รับตามอีกที่พวกเราอาจจะมองไม่เห็นไม่รู้กันก็คือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ถ้าได้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปแล้วใจนี้ก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไป จะไม่ไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์หรือในนรกอีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดมีร่างกายเพื่อมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอันนี้เป็นส่วนที่พวกเราอาจจะมองไม่เห็นกันเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายผู้ที่จะรู้จักใจได้นี้ต้องเป็นผู้ที่ได้ฝึกสมาธิเท่านั้น พู้ที่ฝึกสมาธิจะเห็นหน้าเห็นตาของใจว่าเป็นผู้รู้ผู้คิดและเป็นผู้ทุกข์เพราะอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็อย่าไปอยากมีตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่อยากมีตาหูจมูกลิ้นกายก็เพราะว่าอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองดังนั้นถ้าใครอยากที่จะ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ต้องศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงนําเอาคําสั่งคําสอนมาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกก็คือในวันเพ็ญเดือน แปดนี้เองวันที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้ศาสนาพุทธนี้เกิดขึ้นในวันแผ่นเดือนแปดเพราะว่าในวันแผ่นเดือนแปดนี้จะมีพระรัตนตรัยครบสามองค์ด้วยกันมีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีผู้ฟังบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาก็จะมีพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ครบองค์วันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นวันก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็ได้พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะสามารถทำหน้าที่ของพระพุทธศาสนาได้พระพุทธเจ้าก็จะทาหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนไปจนถึงวาระสุดท้ายของพระองค์ หลังจากที่พระองค์สิ้นแล้วก็มีพระอริยสงสาวกมาทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปศาสนาก็เลยอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะมีพระอริยสงฆ์ทําหน้าที่เอาคําสั่งคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะบรรลุเป็นพระอริยสง์ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาคือได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มาทาหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อรู้จากวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ ต, ต่างแล้วก็เอาวิธีที่ตนเองได้รู้ได้กระทํานี้มาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปเนีศาสนาพุทธเนี่ยอยู่มาได้เพราะมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วแต่มีผู้ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าอยู่สองนัสอง สองส่วนด้วยกันคือพระธรรมคําสั่งคําสอนและพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้บรรลุได้หลุดพ้นจากการจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วพระทั้งสองรูปนี้คือพระธรรมคําสอนกับพระอริยสงสาวกก็จะสามารถทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ต่อไป สาสนาอยู่มาได้ไม่ใช่อยู่เพราะว่ามีโบสถ์หรือมีเจดีย์หรือไม่มีวัดหรือไม่มีวัดหรือไม่อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะว่ามีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ทำหน้าที่เอาความรู้อันมหัศจรรย์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับกัน <Yeah. S 1> จึงปรากฏมีพระอริยสงสาวกบรรลุธรรมมาทุกยุคทุกสมัย <Yeah. S 1> มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ <Yeah. S 1> การที่เรามีพระธาตุ นี้เป็นการยืนยันว่าผู้ที่กระดูกของท่านกายเป็นพระาธาตุนี้ก็คือพระอรหันต์นี่เองเป็นผู้ที่ได้บรรลุได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่การมีพระาธาตุการที่ได้เห็นพระาธาตุโดยลำพังนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้ที่ได้รู้ได้เห็น เพราะว่าพระธาตุไม่สามารถบอกวิธีที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พระธาตุมีเพียงแต่เป็นสักขีพยานให้เรารู้ว่าพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้ไม่ได้เป็นศาสนาโมฆะไม่ได้เป็นศาสนาที่ไม่มีผลถ้าใครได้ปฏิบัติได้ศึกษาตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคนอันนี้เท่านั้นคือหน้าที่ของพระธาตุเนี่ยไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยกันทำให้เราได้ตําแหน่งได้ยศกันทำให้เราไม่มีพิษไม่มีภัยต่างๆมาลุมแล้วพระธาตุทำหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้พระธาตุทำหน้าที่ได้อย่างเดียวก็คือเป็นเครื่องเจริญ พุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติให้เรารู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงไม่ใช่เป็นเรื่องแต่งกันขึ้นมาเหมือนนิยายผู้ที่ได้สัมผัสได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะได้รับประโยชน์อันมหาศ จ, จรร์อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของฐานวัตถุต่าง เช่นพระพุทธรูปนี่พระพุทธรูปก็ไม่สามารถสอนธรรมะให้กับเราได้ไม่สามารถทำอะไรให้กับเราได้เลยนอกจากเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองสมัยก่อนเราไม่มีกล้องถ่ายรูปเราก็เลยต้องอาศัยปั้นรูปเหมือนขึ้นมาหรือวาดรูปเหมือนขึ้นมา เพื่อให้เราเระลึกถึงคนที่เรารักเราชอบว่าเขาเคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนอการมีพระพุทธรูปนี้ก็เป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านีา้เป็นผู้ที่อยู่ในโลกนี้และได้ทำประโยชน์ให้กับโลกนี้แต่ เราไม่มีกล้องถ่ายรูปมายืนยันเราก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นตัวแทนเท่านั้นเองแต่ตัวพระพุทธรูปเองนี้เป็นวัตถุธรรมดาต่อให้ปลุกเสกหรือไม่ปลุกเสกก็ไม่ได้ทำให้วัตถุนั้นกลายเป็นวัตถุวิเศษขึ้นมาได้คือพระพุทธรูปไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ผู้ที่จะทาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ก็คือพระพุทธเจ้าแต่ท่านตายไปแล้วแต่สิ่งที่ท่านบอกไว้ก่อนตายท่านก็บอกว่าถึงแม้่างกายเราจะตายแต่ตัวเรายังอยู่อยู่ในพระธรรมคำสอนนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าผู้เห็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เห็นธรรมเห็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียไม่ต้องไปตามวัดต่างๆที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่พระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสั่งคาสอนถ้าเราอยากจะพบกับพระพุทธเจ้าขอให้เราพบที่พระธรรมคาสอนศึกษาแล้วก็จะรู้ว่า เหมือนกับได้ยินจากปากโดยตรงถึงแม้เวลาจะผ่านไปถึง 2,500 กว่าปีก็ตามเพราะอ่านคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็เหมือนกับได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาทันที น, น, นี่คือ พ, พระธรรมคำสอนที่จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ที่จะเป็นสารณเเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วแล้วนอกจากพระธรรมคำสอนแล้วก็ยังมีพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะท่านจะสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองถ้าเราขาดพระธรรมคำสอนหรือขาดพระอริยสงสาวกแล้วเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอีกต่อไปถึงแม้เราจะสร้างวัดใหญ่โตมโหรานวิจิตพิสดารมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระพุทธรูปอย่างญาติโยมคงเคยเห็นสมัยนี้เจดีย์สูงร้อยยอด มีพระพุทธลูกใหญ่โตมโหฬารแต่ทําประโยชน์อะไรให้กับผู้ที่ไปกราบไหว้หรือเปล่าสอนให้รู้จักวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์หรือเปล่าไม่ไม่ได้สอนสอนไม่ได้เพราะเป็นวัตถุไม่ใช่เป็นเอ่อเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้กับเราสิ่งที่จะให้ความรู้กับเราก็มีอยู่สองแหล่งด้วยกัน ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้และพระอริยสงสาวุกผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วท่านก็จะสามารถที่จะสอนจะบอกให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่แหละคือองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา อยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการไปสร้างถาวรวัตถุต่างๆควรจะเอาเวลามาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วทีนี้ ผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับต่อไปนี่คือสาระความสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนพวกเราพวกเราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็เราต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ถ้าเราได้ศึกษาจากพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์เราจะได้ความรู้แท้ความรู้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีความความรู้อย่างอื่นแปลกปลอมเข้ามาถ้าไปเรียนกับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้หลุดพน้นนี้โอกาสที่จะไปเจอความรู้แปลกปลอมเข้ามานี้มีอยู่มากเพราะเมื่อผู้สอนยังไม่รู้จากวิธีดับทุกว่าดับได้อย่างไร พอสอนก็อาจจะสอนไปตามความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาก็อาจจะเติมแต่งบ้างหรือจะตัดออกบ้างก็แล้วแต่ตามความคิดของตนเองถ้าความความรู้ของพระพุทธศาสนาถูกเสริมเติมแต่งขึ้นมาหรือถูกตัดออกแล้วความรู้ของศาสนาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดับความทุกข์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ เหมือนยารักษาโรคถ้ายาที่เราไปซื้อมามีสารแปลกปลอมผสมอยู่หรือสารที่มีความจำเป็นต่อาการรักษาโรคภัยถูกสกัดออกไปคือพูดง่ายๆก็คือยาปลอมนีเ่เราอาจจะอยากจะซื้อยาปลอมกันเพราะมันราคาถูกกว่ายาจริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ายาปลอมนี้มันไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับยาจริง ถ้าเราไปกินยาปลอดมดีไม่ดีแทนที่จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็อาจจะตายไปก็ได้เนีันใดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองได้รับการยืนยันว่าเป็นเป็นแหล่งแท้ของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สามแหล่งนี่แหละก็คือพระพุทธเจ้าที่ตอนนี้อยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอน ที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะแล้วก็พระอริยสงสาวกคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายพระเหล่านี้ท่านจะมีทมแท้มาเผยแผ่สั่งสอนจะไม่มีสารแปลกปลอมอะไรเข้าไปจะไม่มีการตัดออกอสาระสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนาจะทำให้ ได้ผลอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำเขา้าความเข้าใจกันว่าสิ่งที่เราควรที่จะมุ่งหาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนท้าวและวัตถุต่างๆนี้อย่าไปมุ่งหาเพราะเสียเวลาเปล่าๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเสียมากกว่าสมัยนีเ้เราชาวพุทธมีเงินทองกันมาก ก็เลยอยากทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่เข้าใจว่าวิธีที่จะทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องนี้ทำอย่างไรก็เลยหลงไปคิดว่าทำให้กับพระพุทธศาสนาก็คือสร้างวัดวาอารามขึ้นมาแบบใหญ่โตแบบวิจิตรพิสดารแบบสวยงาม ถาบลและวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาสั่งมาสอนให้พวกเราปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ <Yeah. S 1> เห็นเรื่องถาบลและวัตถุต่างๆนี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าจะมีก็ให้มีเท่าที่จำเป็นอย่างที่นี่ก็มีศาลาหลังเล็กๆแค่นี้ก็พอไว้หลบแดดหลบฝน ไม่จาเป็นที่จะต้องสร้างศาลาใหญ่โตไม่ต้องมาสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆเพราะการก่อสร้างนี้ก็จะเป็นผลลบต่อสถานที่เพราะการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้ได้ผลนี้ต้องอาศัยสถานที่ที่สงบที่วิเวกที่ห่างไกลจากคนพุกพล่านต่างๆ ถ้ามีการก่อสร้างก็จะมีคนเข้าออกมาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาซ่อมมาแซมทำกันไปอยู่นั่นนะสร้างแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็สร้างใหม่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากอาจจะมีที่หลบแดดหลบฝนเท่านั้นเองเอถ้าต้องการที่หลบแดดหลบฝนนี่ทำอะไร ก็ได้ถ้าเอาทำเพิงขึ้นมาก็ได้เอาใบมุงใบไม้มามงมาบังก็ได้สมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญ น, นี่ที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าแล้วก็อาศัยการทำเพิงขึ้นมาเพื่อลบแดดหลบผลเท่านั้นเองเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับที่อยู่อาศัยของผู้ที่ศึกษาของผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ต่าง เพราะถ้าทำอะไรเรียบง่ายแล้วมันก็จะไม่ทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติถ้าเรามัวแต่มาสร้างสรรมาสร้างถาวรวัตถุแบบวิจิตพิสดารเวลาที่เราจะเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติมันก็จะถูกดึงไปหมดก็จะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติกันได้แต่สร้างถาวรและวัตถุ ก, กัน าลาวรวัตุนี้ไม่สามารถสอนให้พวกเราดับความทุกข์ต่างๆได้เวลาทุกข์ใจลองไปกราบโบสถ์กราบพระพุทธรูปดูดูซิว่าความทุกข์ใจมันจะหายไปไหมไปเที่ยวไปกราบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมันไม่หายหรอกเพราะว่าความทุกข์ใจมันไม่ได้เกิดจากการไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของเราเท่านั้นเองที่เรายังไม่รู้กันถ้าเราไม่มาศึกษาแล้วเราจะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่กันในขณะนี้นั้นเกิดจากความอยากของเราและการที่เราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ วิธีที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้เราก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ทําใจให้สงบให้ได้ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากทําใจให้สงบใจเราก็จะทุกไปจนกว่ามันจะหมดแรงความทุกข์ของเรานี้มันก็ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็หมดแรงไปเองแล้วมันก็ลืมเรื่องที่ทําให้ทุก แต่แล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปทุกข์กับเรื่องแบบเดิมอีกนะเพราะว่าป ร, ประวัติศาสตร์มันมักจะซ้ำรอยเพราะความอยากของเรามันยังไม่ได้ถูกกาจัดไปเดี๋ยวมันก็ไปอยากแบบเดิมอีกไปอยากในเรื่องเดิมอีกแล้วก็ต้องมาทุกข์แบบเดิมอีกนี่คือ <c oughs> ปัญหาของพวกเราคือพวกเรายัางไม่รู้จักวิธีหยุดความอยากกัน เราต้องศึกษาวิธีหยุดความอยากนี้หยุดอย่างไรวิธีจะหยุดความอยากนี้เราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมา <c oughs> เค ร, รื่องมือที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสติระดับที่สองเรียกว่าปัญญาเราต้องสร้างสติขึ้นมาในขั้นต้นก่อนเพราะการสร้างสตินี้มันง่ายกว่าการสร้างปัญญา และการสร้างปัญญานี้ต้องอาศัยการสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะถ้าไม่มีสติจะไม่สามารถสอนให้ใจคิดไปในทางปัญญาได้ใจจะคิดไปในทางสร้างความทุกข์เสียมากกว่าใจของผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้จะถูกอำนาจของความอยากคอยฉุดลากไปอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ ถูกความอยากชุดลากไปแล้ววันนี้จะไปทำอะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปหาความสุขจากใครดีจากสิ่งไหนดีความอยากมันจะเริ่มทำงานตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยเราต้องใช้สติมาหยุดความอยากความคิดนี้ให้ได้ก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีสร้างปัญญาแล้วก็ปัญญาก็ต้องอาศัยให้มีสติก่อนถึงจะสามารถ ดึงใจให้ไปคิดในทางปัญญาได้ตอนนี้เรายังไม่มีสติที่จะดึงใจให้ไปคิดในทางปัญญาไม่มีสติที่จะหยุดความคิดความอยากได้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หยุดความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราได้เราต้องมาฝึกสติก่อนมาสร้างสติกัน เพื่อมาหยุดความคิดกันเพื่อทําใจให้สงบให้ได้ก่อนและการจะเจริญสตินี้ต้องมีเวลาต้องไม่มีเรื่องราวอย่างอื่นมาคอยรบกวนถ้าเรายัางต้องทํางานทําการอยู่นี้การเจริญสตินี้เป็นไปไม่ได้เพราะเวลาเราทํางานเราต้องใช้ความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จะมาพุโทโธพุโทโธไม่ให้คิดนี้ไม่ได้ จะทำได้ก็เฉพาะวันที่เราไม่ต้องทำงานวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆรถ ม, มันหิวหน้ามั้อเปล่าหรือมันเหงาใครไปดูแลหน่อยเลยดังนั้นขั้นตอนนี้เราต้องมาฝึกสร้างสติกันก่อน การสร้างสตินี้ความจริงจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะวิธีสร้างสตินี้เพียงแต่เรลิกถึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านั้นก็มีสติขึ้นมาแล้วเช่นให้เราเราลึกถึงพุทโทธพุทโธนี้พอเราพุทโธพุทโธนี้แสดงว่าเราเริ่มมีสติแล้วเพราะเวลาเราพุทโธพุทโธนี้เราจะไปห้ามความคิดต่างๆได้ทาให้ความคิดที่เคยคิดนี้หยุดคิดได้ ที่มันยากก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดแบบนี้เราไม่เคยพุดโทกันพอเราต้องมาพุดโทคําเดียวแล้ว ร, รู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่าไม่สนุกสนาน mm. เหมือนกับคิดเรื่องราวต่างๆคิดไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มันมีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมด ไหนจะต้องเตรียมตั๋วเครือบินไหนจะต้องจองที่พักอาศัยไหนจ้องดูว่าร้านอาหารต่างๆอยู่ตรงไหนสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนถ้ามันคิดแบบนี้มันชอบมันเพลิดเพลินแต่พอให้มาคิดคำว่าพุโทโธพุโทโธคาเดียวมันจะเบื่อคิดได้สองสามครั้งก็หยุดละเดี๋ยวก็ดึงไปคิดเรื่องอื่นต่อไป นี่คือความยากของการเจริญสติเพราะเราไม่เคยคิดคำเดียวเราชอบคิดทีละหลายๆเรื่องคิดเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดไปตั้งแต่เช้าตื่นมาจนถึงวันนี้เราคิดถึงเรื่องอะไรมาบ้างคิดนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้คิดอย่างนี้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีแต่กับนอนไม่หลับก็ยังคิดอยู่นั่นแต่พอให้มาคิดพุทโธพุทโธคำเดียวนี่คิดไม่ออก มันเลยรู้สึกว่ายากที่ยากเพราะว่าเราไม่เคยคิดแบบนี้เหมือนกับเราไม่เคยใช้มื อ, ม, อมือที่เราไม่เคยใช้เช่นสมมติเราถนัดมือขวาแล้วจะให้เรามาใช้มือซ้ายนี่เราจะใช้ไม่ได้ใช้ยากจะให้เขียนหนังสือด้วยมือซ้ายนี่เขียนยังไงก็เขียนไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกมาก่อน แต่คนที่เขาใช้มือซ้ายมาทำไมเขาเขียนได้สบายคนใช้มือซ้ายให้เขามาใช้มือขวาเขาก็ใช้ไม่ได้ความจริงมือซ้ายมือขวามันเหมือนกันที่มันต่างกันก็คือใจเคยใช้มือไหนมันก็จะถนัดมือนั้นพอมันไม่ใช้อีกมือหนึ่งมันก็ไม่ถนัดแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆสมมติว่ามือที่เคยใช้มันขาดไปมือขาดไปเกิดอุบัติเหตุ เคยใช้มือขวามือขวาใช้ไม่ได้ก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายเดี๋ยวไม่นานก็ก็ใช้ได้คนที่ไม่มีมือสองมือก็ยังใช้เท้าเขียนหนังสือได้ใช้วาดรูปได้ออคนที่ไม่มีมือนี้เคยเห็นไหมเขาวาดรูปสวยกว่าคนที่มีมืออีกเพราะเขาฝึกฝึกฝนอบรม เมื่อไม่มีมือใช้ก็ต้องใช้เท้ า, าก็ใช้เท้าไป เ, าเดี๋ยวก็สามารถที่จะเขียนได้จะวาดภาพอะไรต่างๆได้ อ, อยู่ที่การฝึกฝนอบรมคือโดยสรุปถ้าเราเกิดมือขวาเราเสียเราก็ต้องหัดใช้มือซ้ายเพราะเราต้องต้องใช้งานต้องเขียนหนังสือต้องทำอะไรอยู่ต้องใช้มือ แล้วเมื่อเราไม่เคยใช้แต่พอเราถูกบังคับให้ใช้ใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่ายากหน่อยแต่เรารู้ว่าถ้าเราไม่หัดทำเราก็จะทำอะไรไม่ได้เราก็จะบังคับตัวเองให้ทำไปพอเราหัดทำไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ถนัดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เคยพูดถกกันเราไม่เคยคิดอยู่คาเดียวเราเคยคิดอยู่เป็นเรื่องๆ เ, เป็นยาวไป พอราให้เรามาคิดคำเดียวนี้มันคิดไม่ออกคิดได้สองสามคำแล้วก็หยุดแล้วเบื่อแล้วแต่เราต้องมานึกถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราสามารถท่องพุทโธไปได้เรื่อยๆเพราะมันจะมาหยุดความคิดที่ทำให้เราวุ่นวายใจได้ไม่เชื่อลองไปฝึกดูมันไหนเราไม่สบายใจวุ่นวายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือกับคนนั้นคนนี้ไม่รู้จะทำยังไง ไ่แก้เขาก็แก้ไม่ได้มาแก้ที่ใจเราสิมาพุโทโธพุโทโธไปบางทีไม่ถึงห้านาทีเนะี่ยหายวุ่นวายเลยลืมเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจ น, นี่คือเราต้องมองถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฝึกเจริญพุโทโธกันว่ามันมีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ ต่อให้ได้เงินร้อยล้านพันล้านก็สู้ได้พุทโธไม่ได้เพราะถ้าได้พุทโธแล้วเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบของใจ ใจจะสงบได้ต้องมีสติต้องมีพุโทโธคอยกำกับไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปช้าบ้าง เ, าเร็วบ้างก็ได้หรือพักบ้างก็ได้ถ้าใจไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ช่วงที่ใจไม่คิดอะไรก็ถ้าอยากจะหยุดก็หยุดไปแต่ต้องคอยดูพอมันเริ่มคิดอะไรก็ต้องพุโทโธต่อไปหรือพอมีอะไรปรากฏขึ้นมาหลอกเรามีภาพ มีเสียงมีอะไรปรากฏขึ้นมาเราก็พุทโธต่อไปพุทโธไปจนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบพอจิตเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะหยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดผลิตอะไรต่างๆใจก็จะว่างจะเย็นจะเบ า, จ ะ, เบาจะสบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกก่อนที่จะเข้าสมาธินี้หนักอกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ พอจิตหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ความหนักอกหนักใจก็หายไปความเบาอกเบาใจก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่นี่แหละประโยชน์ขั้นต้นที่เราจะได้รับจากการเจริญสติต้องพยายามหัดฝึกสติก่อนเพราะว่าถ้าเราฝึกสติไม่ได้เราจะควบคุมความคิดไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติเราสั่งให้มันหยุดคิดได้ พอเราสั่งให้มันหยุดคิดได้ขั้นต่อไปก็สอนให้มันคิดเพื่อให้ไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาความคิดของเรานี่มันคิดไปได้สองทางคิดแล้วเกิดความอยากหรือคิดไปแล้วไม่เกิดความอยากอ่ฉะนั้นเราต้องสอนใจให้มันคิดไปในทางที่จะทาให้ไม่อยากได้คิดอย่างไรที่จะทำให้ไม่อยากได้ก็คิดว่าถ้าทำแล้วจะต้องเจอความทุกข์เราอยากจะเราอยากจะทำไหม สมมติว่าอยากถ้าอยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าเดี๋ยวเกิดไปเจออุบัติเหตุลดความตายนี่อยากจะไปไออไม่ไปดีกว่าอยู่บ้านปลอดภัยกว่าแต่เรามักจะไม่คิดกันใช่ไหมเราจะคิดว่ารถไปเที่ยวสนุกสนานเฮฮาไดเนน้เห็นนู่นเห็นนี่ แต่เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ลองถามทำไมก็นี่แหละก็เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ อ, อุบัติภัยต่างๆมันเกิดจากคนที่ไปเที่ยวนี่แหละมันไม่ได้เกิดจากใครหรอกถ้าทุกคนอยู่บ้านมันจะมีอุบัติภัยเกิดขึ้นหรือเปล่า ไม่มีแต่พอทุกคนออกไปเที่ยวกันก็แย่งถนนกันนะบางทีขับรถก็เฮหากินเหล้ากันไปด้วยขับรถไปด้วยพอมึอนเมาขึ้นมาก็ไม่มีสติคอยควบคุมรถยนต์พอถึงเหตุเจอเหตุกระทานหันก็หยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่คือวิธีคิด เราต้องคิดย้อนสอนถ้าเราคิดว่าเราไปเที่ยวแล้วเราเจะความสุขแล้วเราถามว่าแล้วถ้าเกิดไปเจออุบัติเหตุมันจะกลายเป็นอะไรขึ้นมาให้คิดย้อนสอนทุกอย่างมัน ม, มีนเป็นไปได้ทั้งสองทางไปเที่ยวก็อาจจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุความสุขนั้นก็ไม่คุ้มค่าใช่สู้อยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องมาเข้าฝือกไม่ต้องเดินกระเพกกระเพก ไปเที่ยวความสนุกแค่เดียวเดียวแล้วก็ต้องกลับมาทุกข์กับการต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมองานการก็ไปทําไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเที่ยวไม่ได้ต่อไปนี่ให้หัดคิดในทางลบบ้างเพื่อที่จะได้หยุดความอยากกันพวกเราชอบคิดไปในทางบวกแต่เราไม่รู้ว่าความบวกทางบวกของเรานี้เป็นการไปหาความทุกข์กันเพราะว่าเราลืมไปว่ามัน อุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือคิดอยากจะได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนเราเวลาคิดอย่างนั้นก็จะคิดโอ้ยเขาจะให้ความสุขกับเราใช่ไหมเขาจะทํานู่นทํานี่ให้เราเขาจะพาเราไปที่นู่นที่นี่เราก็จะคิดอย่างนี้แต่เราไม่ไปคิดถ้าเกิดวันไหนเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาเราจะทํางไงเกิดเขาเบื่อเราขึ้นมาเกิดเขาขี้เกียจที่จะมาเอาเอาใจเราแล้วความสุขที่เราเคยได้จากเขามันจะกลายเป็นอะไรไป มันก็จะเป็นน้ําตาตกในไหไะเนี mm ่ย hmm. ต้องหัดคิดแบบนี้คิดในไปในทางลบบ้างถ้าคิดไปในทางลบแล้วมันก็จะทำให้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับสติพุทโธดีกว่ามานั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าสบายกว่าปลอดภัยกว่าไม่ต้องมาทุกข์กับเขาถึงแม้ว่าเขาเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาดีกับเราตลอดแต่วันดีคืนดีเขาอาจจะหัวใจวายตายไปก็ได้ แล้วเกิดไปมีโจรเข้ามาป้นบ้านถูกเาถูกโจรยิงตายไปก็ได้พอเ็าตายไปนี้ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจนี่คือพระพุทธเจ้าสอนทางปัญญาต้องคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่ไม่ใช่ว่าจะสุขไปอย่างเดียวในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันสลับกันสุขบ้างทุกบ้างถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมีอะไร ถ้าอยู่กับความสงบนี้จะมีแต่ความสุขร้อยเปอร์เซ็นตจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะตายไปความสุขใจนี้ยังไม่ตายไปกับร่างกายเรายังสามารถพุดโทรไปได้ ขณะที่ไม่มีร่างกายเราก็พุโทโธได้ควบคุมใจให้สงบได้ถ้าเราทำเป็นแล้วต่อไปพุโทโธนี้จะเป็นเครื่องมืออันวิเศษนะพอใจเราทุกข์วุ่นวายใจก็พุโทโธไปพออยากได้นู่นได้นี่ก็คิดในทางลบบ้างว่าเวลาได้มันมาก็ดีใจเดี๋ยวเกิดเวลามันไปจะทำยังไงเวลามันจากเราไปมันก็จะทาให้เราเศร้าโศกเสียใจ ตัวอย่าไปมีมันไม่ดีกว่าเลยขณะที่มีก็ต้องวิตกกังวลไหมว่าจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่จะดีไปได้นานสักเท่าไหร่จะเสียเมื่อไหร่จะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่แน่นอนท่านเรียกว่าอันนี้จางอนนั้ตาเราไปสั่งมันไม่ได้อันนั้ตาไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเรามันจะจากเราไปวันวันไหนก็ไปได้ ไม่ได้เป็นของเราไปตลอดให้หัดคิดในมุมกลับบ้างในมุมลบบ้างแล้วมันจะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ไม่มีความอยากนี้กลับจะดีกว่าเพราะเวลาไม่มีความอยากนี้ใจจะเบาจะเย็นจะสุขอันนี้ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้เพราะเข้าไปก็เหมือนกับไม่ได้เข้า เมื่อก่อนเราเข้าเพราะเรายังหยุดความอยากด้วยปัญญาไม่ได้กำจัดความอยากไม่ได้เราก็เลยต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อหยุดความอยากแต่ต่อมาพอเรารู้จักคิดในทางปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาได้ในขณะที่เราไม่อยู่ในสมาธิพอากาจัดความอยากต่างๆหมดไปที่นี้ก็ไม่มีอะไรมาลบกวนใจเรา ที่ลบกวนใจเราก็คือความอยากของเราเนี่ยแหละพออยากได้อะไรมือไม้สันส่นไหมใจสัน่นไหมกังวลกังวายกระสับกระสายไหเอพอไม่มีความอยากแล้วเฉยสบายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากเราต้องได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้เราจะดิ้นตาย นี่แหละคือเรื่องของปัญหาของใจของพวกเราที่เราจะไม่มีใครที่จะมาสอนเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะพบกับสิ่งที่มาสัจจ ร, ร่สุดของโลกก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เองไม่มีอะไรจะมาสัจจ ร, ร์เท่ากับการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นดงนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นว่าพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่ไหนอย่าไปหลงคิดว่าอยู่ที่ถาวรและวัตถุจะต้องสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตจะต้องสร้างเจดีย์สูงยอดฟ้า ทั้างวัดใหญ่ๆศาลาใหญ่ๆอันนี้เป็นถาวรลวัตถุจะไม่สามารถมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้สิ่งที่จะกำจัดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเราจะกำจัดได้เราก็ต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ ดังนั้นขอให้พวกเราให้รู้จักว่าศาสนาที่แท้จริงนี้อยู่ที่ตรงไหนและให้เข้าหาของแท้อย่าไปห้องหาของปลอมเพราะถ้าหาของปลอมแล้วเราจะผิดหวังความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราจะไม่มีวันหมดไปได้ต้องเข้าหาของแท้คือหาพระพุทธพระสมฆพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหมดสิ้นไปการแสดง ก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปะนาระโสยตามณิโตติอระโสยตาสพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโวิณัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาศสิลิตานิจังวุทาปจายโนจตรารโธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กสามร้อยสามคนครับ ยู u ูบสองร้สิบแปดคนครับวิทย์ยออนไลน์สิบห้าคนครับวันนี้ Line, วิทย์ยออนไลน์ระบบสัญญาณมีปัญหาครับผ ม, มผู้เราฟังบนเขาหนึ่ง้ยยสิหคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยหกสบองคนครับประจานช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ใส่กระเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่หลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะขออนุญาตยุยติการตอบคําถามถ้าจะถามต้องตอบในช่วงนี้เลยถามในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกกันแล้วก็เหนื่อยก็อยากจะขอพักบ้างเหมือนนักมวยพอเ้าตีละครังแล้วเขาไม่ชกกันแล้วดังนัถ้าใครอยากจะถามอะไรถามได้ในช่วงนี้ คำถามจากทางบ้านก่อนก็ได้มีคำถามจากทาง a c e b o o k นะคะคุณชัดชนกคคำถามที่หนึ่งอยากสอบถามหลวงพ่อเจ้าค่ะรูปพระเกจิอาจารย์ที่เราเอาวางบนพื้นแล้วมีผ้าขาวพับรองไม่ได้วางกับพื้นโดยตรงจะได้ไหมคะคืออยากเอาไว้ด้านบนแต่กลัวสูงกว่าพุทธรูปเจ้าค่ะ ก็อย่าให้สูงกับพระพุทธรูปแต่ก็เราให้ต่ำกับพระพุทธรูปหน่อยแต่ไม่ควรวางไว้กับพื้นมันไม่เหมาะสมเพราะพื้นนี่มันต่ำมันใกล้กับเท้าคนที่จะอยู่ในที่สูงถ้าที่ไม่ได้ก็เก็บไว้ในลิ้นชักก็ได้อย่าไปวางให้มันประเจดิดประเจดิดดูแล้วมันไม่สมควรไม่เหมาะสมคำถามที่สองค่ะเดินจงกรม เราเดินในห้องเป็นวงกลมได้หรือไม่เจ้าคะได้เดินแบบไหนก็ได้สำคัญอยู่ที่สติไม่ยไม่ใช่อยู่ที่การเดินเดินแล้วใจลอยก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดินต้องมีพุทโธคอยกากับคอยหยุดความคิดเพราะใจจะได้เบาจะได้เย็นจะได้มีความสุขถ้าเดินแล้วคิดเดี๋ยวใจก็ฟุง้งแล้วก็เครียดขึ้นมาได้คาถามจากคุณทูมคัค่ะ ทำอย่างไรครับหลวงพ่อบวชเป็นพระแล้วจะอยู่ได้ตลอดไปครับก็อย่าเสกเลยมันยากตรงไหนเลยทุกครั้งที่จะเสกก็บอกว่าเคยอยู่มาได้กี่กี่เดือนกี่ปีแล้วอถ้าเคยอยู่มาได้หกเดือนก็ต้องอยู่ต่อยหกเดือนก็ได้เอ คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่จะศึกก็บอกว่าเคยอยู่มากี่เดือนแล้วนะอเคยอยู่มาหกเดือนองั้นก็อยู่ต่อยหกเดือนก็ไม่เห็นน่าจะลําบากเลยคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอปีหน้าอยากจะบวชก็ถามว่าอยู่มาได้กี่ปีแล้วได้หนึ่งปีแล้วงั้นก็อยู่ต่ออีกปีก็แล้วคิดอย่างนี้รับรองได้ว่าไม่มีวันที่จะสึกได้ก็มันอยู่มาได้แล้วทำไมจะอยู่ต่อไปไม่ได้ใช่ไหมของเคยทํามาแล้วมันก็ทําต่อไปเท่านั้นเอง <c oughs> คำถามจากทางยูทูบค่ะจากคุณอำพรค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อวานโยมได้ฟังเทศที่พระอาจารย์ได้สนทนาตอบปัญหาธรรมกับพระฝรั่งท่านได้พูดถึงจานะเป็นภาษาอังกฤษไม่ทราบในภาษาไทยความหมายคืออะไรเจ้าคะประชานไง ชาภาษาอังกฤษเขาอ่านเป็นชานะคือภาษาไทยเราจะตัดสระอะออกจากคำว่าณนะชานะความจริงภาษาบาลีเป็นเป็นชานะแต่คนไทยเราไม่ชอบมันยาวไปเลยเอาแค่ชาญก็แล้วกันพุทธก็เรียกแค่พุทธก็แล้วกันสังขะก็เรียกขคาสงฆ์ธรรมะก็เรียกข้าธรรมคนไทยเราไม่ชอบยาวๆชอบสั้นๆก็เลยตัดสระอะที่ตามมาข้างหลังออกไป คำถามจากคุณพิทักษ์ค่ะกลาบนมัส ก, การครับพระอาจารย์มีสองคำถามครับข้อที่หนึ่งจิตแท้เดิมจริงๆแล้วเป็นเพียงผู้รู้ใช่หรือไม่ครับ คือจิตนี่มันเป็นเพียงผู้รู้แต่มันถูกอำนาจของโมหะอาวิชามาครอบงำทำให้มันคิดปรุงแต่งไปให้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขมันก็เลยต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดไปเป็นอะไรต่างๆตามอำนาจของกรรมที่ทำไปข้อที่สองค่ะระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวนันการมีสติกับสิ่งใด ก็ตามที่ได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เท่าทันจิตใจว่ากำลังไปทางไหนเช่นหากไปทางกิเลสก็มีสติหาอุบายะระงับไม่ทำตามกิเลสหากไปทางธรรมก็ส่งเสริมให้มาก ย, ยิ่งขึ้นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นการทำความเพียรหรือไม่ครับ ก็จะว่าใช่ก็ใช่แต่มันยังไม่ควรจะทำอย่างนั้นเบื้องต้นควรจะฝึกสติให้หยุดใจให้ได้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเรายังหยุดไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปทางของมันเราก็จะห้ามมันไม่ได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าไม่ดีแต่มันจะไปยังนั้นเบื้องต้นอย่าไปสนใจกับเรื่องว่ามันจะไปทางไหนเบื้องต้นนี้ให้มันหยุดอย่างเดียวให้มันหยุดคิดให้มันหยุดส่งออกไปทางตาหูจมูกนิ้นกาย ให้มันเข้าข้างในแล้วพอมันเข้าข้างในได้ทีนี้เราก็จะได้ควบคุมมันได้เห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ไปคําถามจากคุณนางฟ้าดาวดึงกราบนรมาสการท่านพระอาจารย์คุณสามีจริงไหมเจ้าคะถ้ามีคนทําใส่จะแก้อย่างไรเจ้าคะ อ, อในศาสนาพุทธไม่มีสอนเรื่องคุณสา ศาสนาพุทธมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องกรรมกดแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชั่วได้เชั่อถ้าเรามาเจอผลไม่ดีในขณะนี้ก็แสดงว่าเป็นผลของกรรมของบาปที่เราทำมาที่ผ่านมา ถ้าเราได้รับผลดีในขณะนี้ก็แสดงว่าเป็นผลของบุญที่เราได้ทำมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณใสยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นไม่มีใครมาส่งผลดสีส่งผลไม่ดีให้กับเราได้นอกจากการกระทำของเราเองคาถามจากท่านที่มาฟังบนเขาเจ้าค่ะหากเรานั่งภาวนาแล้วเกิดเวทนาปวดขามาก จะต้องจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะถึงจะข้ามเมตนานี้ไปได้เจ้าค่ะก็ต้องใช้คำบริกรรมนะพยายามอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปรับรู้ความเจ็บพอใจแล้วไม่ไปคิดไม่รับรู้ความเจ็บความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะเบาลงพอความอยากเบาลงความทุกข์ทรมานใจก็จะเบาลง แล้วต่อไปมันก็จะหายไปจากใจถึงแม้ว่าความเจ็บของร่างกายไม่หายแต่ความเจ็บของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาก็คือความทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเราหยุดมันได้ด้วยคำบริกรรมใจเราก็จะสงบแล้วก็จะเย็นจะสบายจะเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งอยู่บนกองไฟ ก่อนน้ำแข็งอยู่บนกองไฟน้ำแข็งมันก็ยังเย็นอยู่มันอยู่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในกองไฟใจที่สงบก็เป็นเหมือนน้ำแข็ง แม้ร่างกายจะเจ็บปวดตามทั่สพางกายมัซึ่งเป็นเหมือนกองไฟมันก็ไม่มาทำให้ใจเดือดร้อนได้ถ้าใจสงบฉะนั้นเวลานั่งแล้วพยายามพุโทโธยิ่งเฉพาะเวลาที่มีมีความเจ็บทางร่างกายแล้วให้เกาะติดกับพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องของความเจ็บนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้มันขาดใจตายไปกับพุโทโธ วเดวคำถามจากท่านที่มารับฟังบนเขาเจ้าค่ะ <c oughs> จิตผู้รู้กับจิตเดิมต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่ต่างตัวเดียวกันเน่ยต่างตรงชื่อเราไปเรียกว่าจิตเดิมเรียกว่าผู้รู้จิตเดิมก็คือผู้รู้จิตปัจจุบันก็คือผู้รู้อันเดียวกันคำถามจากคุณจินชุธาค่ะ นั่งสมาธิจนลมหายใจอ่อนแล้วลมหายใจเหมือนจะรวมได้แต่ก็ไม่รวมมันเกิดจากอะไรเจ้าคะเพราะอยากให้มันรวมเนี่ยอย่าไปอยากให้ดูเฉยๆมันจะรวมไม่รวมก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ดูลมก็ดูลมไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปคาดกันเน อ, อย่าไปอยากให้มันรวมนะมันจะมาขวางกาั้นการรวมของจิตนะ คำถามจากคุณซอซอค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเรามีเงินน้อยถ้าเราจะทําบุญสร้างเจดีและทําบุญกับคนยากจนอดยากเราควรทําให้กลุ่มไหนก่อนครับพระอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าอันไหนมันสําคัญก่ากันถ้าเจดีมันก็สำหรับที่จะบรรจุพระธาตุเพื่อจะได้เป็น อนุสอนสาหรับอนุชนเรื่องรุ่นหลังที่มาเกิดจะได้รู้ว่ามีพระธาตุอยู่ในเจดีย์นี้พระธาตุก็คือกระดูกของพระอรหันต์อันนี้ก็มันแต่ละอย่างมันมีประโยชน์ต่างกันเหมือนกับเราจะซื้ออะไรดีละ่ะซื้อรถดีหรือว่าจะซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าดีเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราต้องการประโยชน์แบบไห น, น แต่เงินที่เราเสียไปถ้ามันเท่ากันเราก็ได้บุญเท่ากันเอาเงินพันบาทไปสร้างเจดีย์เอาเงินพันบาทไปช่วยคนยากจนบุญที่เกิดในใจเราก็เท่ากันคำถามจากคุณซางค่ะกับเตียนถามพระอาจารย์ครับคำภาวนาที่ยาวๆสามารถนาพระ นำมาภาวนาได้ไหมครับอย่างเช่นคาถาต่างๆเป็นต้นครับกราบสาธุครับได้ถ้าใจเราไม่ยอมอยู่กับคําสั้นๆก็ชอบยาวๆก็สวดคําสวดยาวๆไปก่อนก็ได้สวดพระสูตรทั้งพระสูตรเลยก็ได้การสวดนี้ก็ เ, เพื่อการดึงใจมาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่การสวด แต่พอใจมันไม่คิดแล้วก็ควรที่จะเอาคำสั้นๆหรือไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อเพราะถ้าสวดมันก็ยังจะไม่ได้สงบเต็มที่การสวดนี้เป็นการตะล่อมใจให้เข้าไปสู่ใกล้จุดของความสงบพอใกล้จุดของความสงบแล้วที่ต้องเพ่งแนะต้องดูดูลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธคำเดียวแล้วมันถึงจะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ต่อไป ถามหมดแล้วหมดแล้วมีใครอยากจะถามไหมไม่มีถามเดี๋ยวรอคำถามต่อไปออการการสวดมนต์นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าเรายังคุดโธไม่ได้หรือเราดูลมไม่ได้เราก็สวดมนต์ไปก่อนอการสวดที่ดีก็คือสวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือสวดจากความจำ ก็นั่งหลับตาสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงอย่างนี้จะดีเพราะเท่ากับการเป็นการนั่งสมาธิไปในตัวเพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้พุทโธหรือใช้ลมหายใจเราใช้การสวดมนต์ไปก่อนบางท่านก็ใช้การฟังธรรมไปก็ได้ถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพุทโธไม่ได้อาศัยการฟังธรรมไปเรื่อยๆ ใจก็จะถูกตล่อมเข้ามาสู่ใกล้ใกล้ใกล้จุดของความสงบได้พอใกล้จุดของความสงบแล้วทีนี้ก็ต้องใช้การดูลมต่อไปหรือพุโทโธต่อไปค่คำถามจากคุณชอบเพชรเจ้าค่ะทำอย่างไรให้ใจเป็นกุศลตลอดเวลาเจ้าคะออขั้นต้นก็ต้องมีสติ ต้องมีสติควบคุมความคิดการที่สองก็ต้องเลือกต้องศึกษาว่ากุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นอย่างไรพอรู้ว่ากุศลเป็นอย่างนี้อกุศลเป็นอย่างนี้เราก็คอยกําจัดอกุศลเวลามันโผล่ขึ้นมาอถ้าเรามีสติเราก็จะแยกแยะเลือกได้ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะมาตามกําลังของมันเออันไหนมันมีกําลังมากมันก็จะมาก่อน อังนั้นขั้นตอนนี้ต้องฝึกสติก่อนให้หยุดความคิดต่างๆให้ได้ทั้งกุศลและอกุศลพอหยุดได้แล้วทีนี้ก็มาศึกษาด้วยปัญญาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลเช่นความอยากนี่มีความอยากที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีความอยากที่เป็นอกุศลก็คือความอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากหาความสุข จากทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความอยากเหล่านี้มันจะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปแต่ถ้าอยากไปสวดมนต์ไหว้พระอยากจะไปวัดไปทําบุญทําทานใส่บาตรอันนี้เป็นเป็นความอยากที่ดีเรียกว่ากุศลเพราะจะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปอันนี้เราถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าความคิดแบบไหนเป็นกุศลความคิดแบบไหนเป็นอกุศลใน ในกุศลระบทก็มีอกุศลระบทก็มีอยู่สิบอกุศลสิบได้แก่อะไร อ, ก, อกุศลสิบมีแบ่งเป็นทางกายสามทางวาจาสี่ทางใจสามรวมกันเป็นสิบทางกายคืออะไรคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณี ถ้าคิดจะไปค่าใครคิดไปรักทรัพย์คิดไปประพฤติผิดเวณีนนี่เรียกว่าเป็นอกุศลไม่ควรจะคิดนะหรือถ้าทางวาจาก็พูดปดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดส่อเสียดนี้แปลว่ายุยงให้ผู้อื่นเขาแตกความสามัคคีกันไม่ควรพูดวาจาเหล่านี้เพราะจะ นำมาซึ่งความวุ่นวายความทุกข์ทั้งกับผู้พูดและกับผู้ฟังได้นะส่วนอกุศลทางใจก็มีอยู่สามคือความโลภความโกรธความหลงนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาพอเรารู้แล้วเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็จะได้หยุดมันได้อย่าไปทำตามคำถามจากคุณพิมพ์ชนกเจ้าค่ะ การเรียนถามเรื่องการบริกรรมพุโทโธเจ้าค่ะก็บริกรรมพุโทโธถามต่อแม่จบเพิ่งฝึกบริกรรมพุโทโธตอนนั่งสมาธิโดยต้องเอาจิตที่เราบริกรรมพุโทโธ ไปตั้งไว้ที่กลางอกแล้วบริกรรมไปเรื่อยถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ เ, ออเมื่อวานทำได้หนึ่งชั่วโมงมเจ้าคะไม่ต้องไปตั้งที่กลางอกหรอกให้ตั้งอยู่ที่คำพุโทโธนะให้จิตอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธแล้วก็พยายามอย่าให้มันหายอย่าให้มันหยุดพยายามต่อทำไปเรื่อยๆ อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างหรืออาจจะพักสักนิดพักสักหน่อยท่านก็ได้ถ้ารู้สึกว่าจิตเบาจิตไม่มีปัญหาอะไรแต่ควรจะทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ต้องตั้งอยู่ที่ไหนให้ตั้งอยู่ที่คำว่าพุทโธทนี้หมดแล้วก็การบริกรรมพุทโธนี้ไม่ต้องไปตั้งที่แต่ถ้าดูลมหายใจนี้ต้องมีที่ตั้ง ดูลมหายใจก็มีที่ตั้งอยู่สองที่ด้วยกันที่ปลายจมูกที่ลมเข้าออกให้อยู่อยู่ตรงจุดนั้นให้รู้ว่าลมกําลังเข้าหรือว่าลมกําลังออกรู้ว่าลมสั้นหรือลมยาวรู้ว่าลมหยาบหรือลมละเอียดให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปปรับปรุงลมให้มันสั้นให้มันยาวเอ เราต้องการให้จิตพักให้ให้รู้เฉยๆถ้าถ้าเอาจิตไปทําไปไปปรับลมก็เท่ากับให้จิตทํางานถ้าจิตทํางานจิตก็จะไม่นิ่งไม่สงบแต่ถ้าจิตดูเฉยๆจิตก็จะนิ่งจะสงบได้อีกจุดหนึ่งก็ให้ดูที่กลางหน้าอกหรือที่หน้าท้องเวลาลมเข้าก็จะพองออกมาเวลาลมออกก็จะยุบเข้าไปอันนี้ก็ เป็นวิธีเดียวกันแต่ที่ตั้งดูลมต่างกันดูที่กลางหน้าอกเขาก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอดูที่ปลายจมูกก็เรียกว่าอานาปณะสติแล่ก็คือการดูลมเหมือนกันยังไม่มีก็มาก่อนถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะเพราะว่าเหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไร